ล้อุบัติเหตุบนท้องถนนถามผมเคยขับรถอยู่ดีๆมีรถกระบะวิ่งมาชนหลังแบบว่าเขาจะขับซิ่งแต่ซิ่งไม่เป็นกะระยะปาดหลังไม่ถูกตัวผมไม่เป็นไรรถก็แค่ถลอกนิดหน่อยตกใจตอนถูกเฉียวแล้วรถสายไปสายมาเสียการทรงตัวอยู่ครู่หนึ่งเท่านั้น สรุปคือไม่ได้มีประสบการณ์ฝังใจที่เลวร้ายอะไรมากนักแต่ถึงวันนี้จัดเป็นคนกลัวการเอารถออกถนนพอสมควรคือรู้สึกไม่อยากเกิดอุบัติเหตุไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับรถของเรากลัวดวงตกกลัวมีวิบากที่ต้องเจออุบัติเหตุซึ่งเราไม่ได้เป็นคนก่อบางทีตอนอยู่บนถนนก็เฉยแต่บางทีก่อนออกจากบ้านก็คิด กลัวขึ้นมาอยากทราบว่าพอมีอุบายหรือวิธีอะไรจะทำให้หายกลัวบ้างไหมครับตอบคนเราตอนกลัวก็กลัวเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับความกลัวนั้นมีรากมาจากโทสะจิตมีอาการผลักใสไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากทนไม่อยากรับไม่อยากรู้ โดยรวมคือไม่อยากให้ตัวเราต้องเผชิญกับสิ่งกระทบที่น่าขัดเคืองสรุปได้ว่าโทสะนั้นเป็นกิเลส ท, ที่แสดงความเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งความอยู่ดีเป็นที่ชอบใจของตัวเองต้องมา ก, ก่อนคนอื่นอย่ามาทำให้เราขุนข้องอะไรอะไรอย่ามาทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจ เมื่อทราบมูลเหตุแห่งความกลัวเช่นนี้ต่อไปลองตั้งความคิดให้เป็นตรงข้ามดูครับเมื่อใดนั่งอยู่หลังพวงมาลัยให้สัญญากับตัวเองเป็นมั่นเหมาะว่าคุณจะพยายามไม่ให้ใครได้รับอันตรายจากการขับรถของคุณเป็นอันขาดพูดง่ายๆเปลี่ยนจากระแวงว่าใครเขาจะทําเราเป็นระวังตัวเองจะไปทําคนอื่นเสียแทน เมื่อคุณไว้ใจตัวเองเชื่อมือตัวเองช้าในที่ควรช้าเร็วพอเหมาะในที่ควรเร็วคุณจะเกิดความอุ่นใจว่ามือกับเท้าของคุณต้องไม่พ า, าไปหาใครความรู้สึกปรารถนามอบความปลอดภัยแก่คนอื่นนั่นแหละจัดเป็นทานชนิดหนึ่งทานชนิดนี้เมื่อทำให้มากเมื่อทำให้ตั้งมั่นแล้ว จะตล่อมจิตให้เกิดความมั่นคงไม่หวาดระแวงเกินการและที่สำคัญคือจะมีอา น, นิสงส์งเป็นรัศมีความปลอดภัยคุ้มตัวได้จริงๆขอเพียงบำเพ็ญบารมีด้วยการตั้งใจและทำจริงนานเพียงพอสักระยะหนึ่งต่อให้มีวิบากด้านลบคือต้องรับเคราะห์บนถนนเกี่ยวกับรถราก็จะผ่อนหนักเป็นเบาหรือผ่อนเบาเป็นไม่มีอะไรเลย แค่หวาดเสียวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตั้งใจไว้เรื่อยๆคุณจะค้นพบธรรมชาติด้วยตนเองครับว่าให้ใครอย่างไรเราก็รับผลอย่างนั้นแหละความหวาดระแวงความขี้กลัวความเห็นแก่ตัวจัดเป็นแรงดึงดูดเรื่องร้ายชนิดหนึ่งส่วนความระมัดระวังความอบอุ่นใจและความเสียสละให้คนอื่นก่อน จัดเป็นรัศมีคุ้มกันภัยและดึงดูดแต่เรื่องดีเข้ามาสู่วงโครจรชีวิตเสมอเลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนเสียสละให้มั่นคงสักระยะเถอะจะเห็นผลทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวครับ